ทำไมทำสมาธิพอจิตสงบแล้วรู้สึกเจ็บหน้าอกไปข่มจิตแรงเกินไปเราไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเป็นเองพอมีอาการอย่างนั้นเราก็เฉยๆอยู่กำหนดรู้เฉยอยู่มันจะผ่านไปเองเวลาจิตทำท่าจะสงบมันต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเรากำหนดจิตรู้เฉยอยู่ ถ้าบริกรรมภาวนาจะหยุดเพียงแต่กาหนดสติรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นถ้าจิตมันเฉยอยู่ก็ปล่อยให้มันเฉยไปถ้ามันคิดเรารู้เฉยก็รู้คิดก็รู้เฉยก็รู้คิดก็รู้สลับกันไปอย่างนั้นถ้าในช่วงนั้นเราไปบังคับจิตไปข่มจิตมันเกิดอาการจุกนั่นขึ้นมาทันทีหรือไม่ก็รู้สึกอึดอัด